อยากจะพบเธอสักครั้งอยากจะเจอเธอสักวันอยากให้หมือนที่ฝันอยากให้มันเป็นจริงแค่เพียงขอให้เธอรู้ แค่เพียงขอให้รับฟังสิ่งเดียวที่ฉันหวังสิ่งเดียวที่ฉันคอยสักวันฉันขอเพียงแค่สักวัน ฉันขอแค่เพียงหนึ่งวันที่ฉันจะมีเธออยู่ตรงนี้กี่ปีเนินนานเพียงในสักกี่ปี ฉันจะมีสักวันที่ดีที่จะมี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 น า, นานเพียงใดสักกี่ปีที่ฉันจะมีสักวันที่ดีที่จะมีเธอที่ฉันจะมีสักวันที่ดีที่จะมีเธอ